พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจเข้ามาภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการภาวนาเป็นการทวนกระแสะจิตไม่ใช่เป็นการปล่อย จิตหไหลไปตามกระแสของตน <c oughs> กระแสของจิตนั่นก็ได้แก่ความคิดความจำหมายในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละส่วนมากมันก็หลังไหลออกไปแต่ภายนอกนูน่นมันไม่ได้ยับยั้งอยู่ภายในมานี่ การที่เรามาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเรามาฝึกทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี้การทวนกระแสจิตเข้ามาภายในหมายความว่าเราไม่ไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจะผลักดันให้คิดสายไปในอารมณ์ต่างๆ เราไม่ยอมไปกับมันเราหยุดยั่งกันอยู่ในปัจจุบันนี้การทำเช่นนี้นะหากว่ากิเลสมันมีหากว่ากิเลส ม, ม, มันมีอิทธิพลมากมันก็ต้านทานกดดันจิตใจนี้ให้สงบลงไม่ได้ <c oughs> ก็จำเป็นต้องต่อสู้กัน<ม>ต้องอาศัยความอดความทนอาศัยสติเพ่ง<ม>กำหนดเพ่งเข้ามาภายในอาศัยอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนไกลและอธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่ตนได้กระทามา เพื่อมาเป็นกำลังใจ mm hmm. เนี่ยต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้มาเป็นกำลังใจ mm hmm. เพื่อให้ใจอาฐานเข้มแข็ง hmm. mm hmm. ไม่ยอ่อท้อต่ออำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหันติตะโปโพทปะสิโน นันหคันติคือความอดทนเป็นตปะธรรมเรื่องเผากิเลสให้อ่อนกำลังลงในอานิสงส์ต่างๆที่ท่านแสดงไว้ในตา ร, ราจะทำกุา伽ความดีหลายอย่างเริ่มจากการให้ทานมา จนถึงมาภาวนาเจริญสมถะวิปัานาอันนี้ก็ยังมีอนิสงส์สู้ขันติความอดทนไม่ได้ความอดทนนี่นับว่าเป็นอนิสงส์อันยอดเยี่ยมแน่นอนทีเดียวการเจริญ <c oughs> การเจริญสมถะวิปัฒนานั้นถ้าขาดความอดทนเสียแล้วก็ดำเนินไปไม่ได้เลยเช่นอย่างบางคนภาวนามันส่งใจออกนอกไปเห็นลิมิตอะไรต่ออะไรยอย่างนี้นะเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำให้ทวนกระแสจิตเข้ามา ให้มาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าส่งจิตไปตามนิมิตต่างๆม่อก็ไม่อดทนไม่อดเพ่งไม่อดทวนกระแสจิตเข้ามาเมื่อกิเลสอันนั้นมันผลักดันจิตใจเอาก็อ่อนไปตามมันก็เพ่งไปตามมันวันไว้ไปตามมัน อย่างนี้แหละจิตใจเลยสงบลงไม่ได้เลยแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นวิปัสณุปกิเลสไปมันไม่ใช่วิปัสนา <c oughs> การที่มันจะเป็นวิปัสนาได้นะ่ะมันต้องทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาทําใจให้สงบลงในปัจจุบันนี้ ละนี่วรห้าให้ดับไปไม่ส่งใจไปในอดีตอนาคตนี่การที่ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้มันจะไม่เกิดความเห็นผิดวิปลาสาไปต่างๆก็เพราะว่าใจมันสงบเน่วอยู่ในปัจจุบันนี้อ เมื่อเห็นอะไรมันก็เห็นแจ้งประจักเลย mm hmm. พระศาสดาทรงจำกัดลงให้มาเห็นแจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี้ mm hmm. เนี่ย mm hmm. การเจริญวิปัสสนานะ mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ใดเห็นนอก ออกจากขันห้านี่ออกไปแล้วมันก็ผิดเลยนั่นมันผิดทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยให้พึ่งพากันจำไว้แนวทางข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่พลาดนะต้องทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เสมอไม่เชื่อสัญญาอารมณ์ ที่มันฉายออกไปข้างนอกนู่นไปในอดีตอนาคตนู่นแม้มันจะเห็นอะไรต่ออะไรซึ่งไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็ช่างแต่การเห็นเช่นนั้นไม่ไม่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้หมายความว่าอย่างนั้นการที่มาเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนี้ นี่เป็นทางหลุดพนะ้นจากกิเลสตัณหาได้ละอะไรก็มาละอยู่ในปัจจุบันนี้จะไปละอยู่ในอดีตอนาคตนุ่นไม่ได้<ม>แต่นั่นแหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใครขาดความอดความทนแล้วมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจไว้บทนี้นะ ฉะนั้นเราต้องสร้างความอดทนนี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้อดไม่คิดอดไม่ส่งเสริมความคิดอันท่งออกไปข้างนอกด้วยอานาจแทงตัญหาความทะเยอทยานอยากบัางด้วยอำนาจแทงความโกรธไม่พอใจ ในบุคคลหรือในสิ่งใดๆก็ดีก็ไม่ไม่ไปตามมันนะ่ะไม่ไปตามความคิดความหมายนั้นหรือว่าเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายอันนี้อย่างนี้เห็นว่าการเพ่งอยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยมันอึดอัดเพราะเวทนา มันสัมผัสกับเวทนาอยู่ก็จึงได้ส่งกิตออกไปข้างนอกนูน่นไปเพ่งดูสิ่งอะไรต่ออะไรเพื่อจะให้มันลืมทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในกายนี้อย่างนี้นะอัง น, นั้นไม่ถูกเราจะไปหนีทุกนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะส่งใจไป ว่าคว้าเดนดินที่ไหนก็ตามทุกมันก็ตามไปอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ ล, ลดลาวาศอกให้บุคคลผู้มีความเห็นผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเหตุ น, นั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้กําหนดรู้เท่าอันทุกขนี่นะ่ะไม่ไม่ใช่ทรงสอนให้ละมันละไม่ได้ เมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์คือความทนได้ยากความแปรปวนของร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่ตราบนั่นแหละดังนั้นจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงรู้ว่าขันหานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์มันทนไม่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้ หมายความว่ามันจะทนอยู่นิ่งๆตลอดไปนั่นไม่ได้เลยมันก็ต้องยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นแหละลักษณะที่มันยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นทานเดียวกว่าทุกข์เมื่อจิตไม่รู้เท่าจิตก็วันไวไปตามจิตก็เลยเป็นทุกข์ไปตามร่างกายสังขารนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้น ถ้าจิตรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนแกนสารของเรามเมื่อมันรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นแหละมันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้นะเพราะว่า ดวงกิดนี่มันยังอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่นี่ถ้าเราไม่กําหนดรู้เท่ามันก็เป็นทุกข์แหละจะฆ่าตัวตายเสียเผื่อว่ามันจะได้หนีจากขันห้าอันนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนมันเอียงไปในทางแห่งความโกรธความพยาบาทไปเสียโกรธตัวเองพยาบาทตัวเอง มันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปอีกแล้วไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าพอฆ่าตัวตายแล้วนี่มันจะถึงนิพพานเลยไม่ต้องเล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่นี่เพราะว่ากิเลสตัณหาอุปทานมันยังไม่หมดยังละไม่ได้เลยจะไปให้มันเข้านิพพานได้อย่างไรอ่ะ จิตใจยังคล่องอยู่ในโลกอันนี้อยู่คล้องอยู่ในขันห้านี้บางคราวผลยินดีชื่นชมกับมันเวลาขันห้ามันปกติสุขโรคภัยไม่เบียดบีนก็ล่าเรื่องบันเทิงชื่นชมยินดีกับขันห้าอันนี้อะเมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัตรริแปลโวนลงไปเอาก็ไม่พอใจกับขันห้านี้อีกแหละวันนี้นะ เดือร้อนใจขึ้นมาแล้วเมื่อเสวยทุกขเวทนามากๆเข้าก็บนอยากจะฆ่าตัวตายเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดจะไม่ได้เสวยทุกขเวทนาอันนี้ต่อไปนี่ยมีคนบางคนบางพวกนี่มีความเห็นอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นนะมันถึงฆ่าตัวตายกันได้ นั่นเลยว่าความเห็นมันเอียงไปข้างรักเอียงไปข้างช่างอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นทางสายกลางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเด้วยนั้นแนหะทุกคนทุกคนนะ่ะพึ่งรู้ไว้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้อดกั้นต่อทุกขเวทนาแม้แต่พระพุทธเจ้า ก็ดีพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารมันแปรปวนเพราะโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้ท่านก็ได้ตั้งความอดความทนลงเหมือนกันน่กับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าจิตใจของพระองค์หักไม่วันไหวไม่ยินดียินร้ายไปกับสังขารเท่านั้นแหละ แต่ความอดทนต่อทุกเวทนาต้องมีเนื่อว่าพระพระุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะ่ท่านมีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมคนธรรมดาสามัญสู้พระองค์ท่านไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตของพระองค์ท่านมันเข้มแข็งเต็มที่แล้วละกิเลสหมดแล้ว ไม่มีกิเลสอะไรที่จะมาปั่นจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนเลยแม้ว่าพระองค์จะได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้จิตของพระองค์ก็ไม่วันไหวเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่กระวนกระวายเลยปรากฏในตำรา ในวันที่พระ อ, องค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั่นเมื่อไปถึงแท่นบันลังของพวกมันลักษัตร์เมืองกุศินารา น, นั่นแล้วกว็ทรงรับสั่งให้สงทั้งหลายจัดแจงตั้งอาที่นอนอันนั้ น, นให้มันถูกทาง ทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ทั้งหลายทำลงไปตกชำระทำความสะอาดแท่นบันลังอันนั้นแล้วก็หันไปให้มันถูกทางพอเรียบร้อยแล้วพระ อ, องค์ก็เสด็จประทับขึ้นสู่บนบันลังอันนั้นแล้วก็ทรงสีหสญาตคือนอนตะแคงข้างขวา เอาเท้าซ้ายวางทับบนเท้าขวาแล้วก็เอาวางแขนทาบไปตามพระวรากายนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พลิกไปทางไหนมาไหนเลยปตะทับนอนตะแคงข้างขวาอยู่ท่าเดียวนั้นนะ จนตลอดคืนยวนสว่างจึงได้ดับขันเข้าสู่พันิพาล น, นั่นแสดงว่าพระไทยของพระองค์นะ่ะเข้มแข็งอยู่เหนือทุกขเวทนาทั้งหมดเลยถ้าเป็นคนธรรมดาสามมันมันจะไปนอนตะแคงข้างเดียวอยู่อนั่นตลอดคืนไปได้ที่ไหนอะ่ะ คนธรรมดาสามเณเมื่อเวลาธาตุสี่ขันห้ามันจะแตกแกดับนี่มันกวนกัวายต้องพลิกไปพลิกมาต้องโอดครวนต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแสดงว่าจิตของผู้นั้นไม่มีความอดทนต่อทุกขเวทนาเลยไม่รู้เท่าทุกขเวทนาเลยจิตใจวันไวไปตามทุกขเวทนา เพราะฉะนั้นจึงได้แสดงออกทางอาการกายวันไหวไปมานั่นนี่แหละในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนสามัญธรรมดาทั่ ว, วไปก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันเมื่อเวลาร่างกายสังขารอันนี้นะ่ะมันสุดโทมวันไหวไปมานั่น บุตรชนคนธรรมดากายก็วันไว้จิตก็วันไว้พระพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายมันวันไวตั้งแต่อัตภาพร่างกายแต่จิตของพระ อ, องค์ไม่วันไหว้นี่มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราผู้เป็นบริษัทของพระ อ, องค์รู้ อย่างนี้แล้วเราก็ฝึกหัดจิตใจนี่เข้าไปให้ใจนี้มันเข้มแข็งกล้าหาญอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายนี้ให้ได้ถึงไม่ได้เต็มที่ก็เรียกว่าให้มันได้พอประมาณเมื่อเราหัดอดหัดทนไป นานเข้ามันก็เข้มแข็งขึ้นเองเองนะจิตใจนี่นะนมันเกิดจากการฝึกขัดทางนั้นแหละถ้าเราไม่ฝึกขัดแล้วปล่อยให้มันอ่อนแอไปตามทุกเวทนามันก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกอันจิตนี่นะถ้าพูดตามสภาพความจริงของจิตแล้ว มันไม่มีอะไรจะไปทำลายได้เลยธรรมชาติของจิตนี่นะแต่เหตุที่จิตมันวันไหวอยู่นี่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งเท่านั้นแหละถ้าจิตดวงนี้นะ่ยมันรู้แจ้งสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมันจะเข้มแข็งที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวว่ามัน มันจะอยู่โดยเอกเทศต่างหากไม่ได้ไม่ได้ซึมซาบอยู่ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะมันจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังไม่ได้เข้าไปยึดถือสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้นะ แต่หักอาศัยธาตุขันธ์อันนี้แหละอยู่แต่าว่าไม่ติดไม่ยึดธาตุขันธ์อันนี้อยู่พระพุพพเทธเจ้าทรงเปรียบเทียบจิตของพระอระหันต์ทั้งหลายว่าเหมือนอย่างน้ํากับใบบัวอใบบัวนั้นอาศัยน้ําเกิดจากน้ํานั่นแหละมาแต่ว่าใบาบัวหักไม่ติด อยู่ในน้าน้ําไม่ติดอยู่ในใบบัวอ่น้ําไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวฉันใดจิตของมุนีทั้งหลายก็ไม่ซึมซาบไปในอารมณ์ต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้นอย่างนี้แหละไอคุณธรรมอันบริสุทธิ์ ของพระอาหารหันต์ท้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบใบบัวกับน้ําให้พุทธบริษัทท้งหลายฟังก็ะมัดคำ ว, ว่าใบบัวนั้นน่ะมีน้ําหล่อเลี้ยงไว้อืมแต่ว่าน้ําไม่ได้ซึมเขา้าเข้าสู่ใบบัวใบบัวนั้นมีน้ําหล่อเลี้ยงไว้กว็จึงสดชื่นอยู่อืม แต่ว่าน้ําหักไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวอันนี้ฉันใดจิตของพระอระหันต์ทั้งหลายก็ยอมอาศัยขันห้านี้แหละอยู่เมื่อเวลาเหตุปัจจัยของขันห้านี้มันยังอยู่อจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องอาศัยขันห่านี้อยู่เหมือนอย่างใบบัวอาศัยน้ําอยู่อย่างนั้นแหละ ทีนี้พอเหตุปัจจัยของขันหานี้มันหมดลงขันหานี้มันก็แตกสลายลงไปดวงกิจของพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปเก็หมดเรื่องกันไม่ต้องไปท่องเที่ยวเกดแก่เจ็บตายในภพบโดยภพใหญ่ต่อไปอีก อันนี้แหละเพิ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเพราะว่าสาเร็จอรหันแล้วจิตนี้จะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ในขันธ์ทางห้าอันนี้เลยหามิได้มันก็ต้องสัมผัสอยู่นั่นแหละไม่ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาแต่เวลาที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละ อันนั้นเรียกว่าหมายความว่าท่านน้อมจิตเข้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงเลยอ่ ะ, อะเรียกว่าได้เข้าไปพักผ่อนอยู่ในนิพพานนะนั่นแหละไม่ไม่ยอมสัมผัสกับโรคภายนอกคือว่าไม่ยอมสัมผัสอยู่กับขันธ์ห้าอันนี้เหตุนั้นจึงไม่ ได้เสวยทุกขเวทนาในเวลาที่จิตเข้าสู่นิโรธสมาบัตินั้นน่ะคั้นเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาก็มาสัมผัสกับขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละก็ให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจเมื่อ บุคคลใดยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้บุคคลนั้นก็ต้องได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาแล้วจิตใจก็ต้องวันไว้ไปตามทุกขเวทนาอยู่ก่อนต่างแต่ว่าวันไหวมากหรือวันวันไหวน้อยกลัวกันเท่านั้นแหละท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้เบาวางออกไปมาก ความวันไหวต่อทุกขเวทนาของจิตของท่านผู้นั้นก็น้อยลงอืมความตั้งมั่นนั้มากกว่าอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดยังมีกิเลสมากอยู่อย่างนี้จิตใจก็ย่อมวันไหวต่อทุกขเวทนานั้นมากอืมเท่านั้นแหละดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะ ก็จงพากันตั้งอกตั้งใจทำความภาคเพียนโน้มกระแสจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกแล้ว ม, มาเพ่งกันอยู่ภายในนี่ แม้ว่ามันจะเกิดทุกเวทนาอย่างไรขึ้นในกายนี่เราก็ไม่หวันว่นไหวนี่หัดอดหัดทนเอาเผื่อว่าเ ม, เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาจิตนี่มันก็จะไม่โ อ, อนแอต่อทุกขเวทนาจะมีความอดกั้นทนทานได้เพราะเคยอดเคยทนมานี่มันมีผลดีอย่างนี้การทำสมาธิภาวนา อพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบแล้วก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาเมื่อผ่านทุกขเวทนาลงไปได้จิตก็รวมลงได้แหละสงบลงได้แต่ถ้าจิตนี้หักพอได้สัมผัสกับทุกขเวทนาก็วันไว้แล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไม่ได้เลยเป็น อ, อย่างนั้น มันจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อเราเพ่งดูทุกขเวทนานั้นอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยเพ่งเอาจนว่ามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าไม่มีใครเป็นทุกเราไม่มีอยู่ในที่นี้เขาก็ไม่มีอยู่ในที่นี้เลยหมายความว่าเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนานั้นเลย ทุกคเวทนาก็ไม่ได้มีอยู่ในเรานี่จนมันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจิตนี่มันก็ไม่วันไหวเลยบะนี่มันมันก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปธรรมดาของสังขารมันักเป็นอย่างนี้อันนี้ละเพิ่งพากันเข้าใจ เรามาฝึกกันนะการที่จิตใจมันจะเป็นไปในทํานองอย่างที่ว่ามานี้ได้มันเป็นไปได้ด้วยอํานาจแห่งการฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆลอยๆไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปเองเนะี่ยไม่ใช่นะี่มันไม่ได้เป็นไปเองเลยมันจะเป็นไปได้กระเพราะเราฝึกหัดต่างหาก ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการกระทำความดีใดๆก็มีอานิสงส์อยู่หรอกแต่ว่าที่จะมีอานิสงส์อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วต้องอดทนนี่แหละความอดทนนี่แหละเป็นอานิสงส์อันยอดเยี่ย ม, มนี่นับว่าเป็นความจริงทีเดียว การบําเพ็ญทางจิตใจนี่ถ้าขาดความอดทนเสียแล้วเป็นไปไม่ได้จริงๆนี่โซ่อิทธิพลของกิเลสตัณหาอาวิชชาไม่ได้เลยแหละเพราะว่าไฟกิเลสตัณหาบาปประธรรมนั่นมันไม่ประสงค์อยากจะให้ใจนี่สงบลงเลยนี่เพราะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็จะพ้นจากอํานาจของมันนะ่ะดังนั้นแหละมันจึงต้องรบกวนนะ่ะอ ม, มันมีอิทธิพลเท่าไรมีกำลังอย่างไรมันก็รวบรวมกำลังอ่ะต้านทานนะขาดขวางไม่ให้จิตมันสงบลงได้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดมีความอดทนเป็นเครื่องประดับเป็นฐานรองรับดวงจิตนี้แล้ว ก็ย่อมเอาชนะมารคือกิเลสบาปประธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ถึงชนะไม่ได้เด็ดคาดก็เรียกว่าชนะทุกขเวทนาอย่างหยาบๆหรือว่าชนะตัญหายางหยาบๆนี่ได้คือตันหายางหยาบๆนี่มันต้องการมันไม่ต้องการอยากจะให้จิตนิสงบลงไปมันขัดขวางไว้ อันนี้เรียกว่าตัณหาอย่างหยาบๆมันอยากคิดสรงสายออกไปข้างนอกนู่นมันเข้าใจว่าเมื่อสรงใจออกไปข้างนอกแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์อมันจะสบายใจขึ้นอย่างนี้ไม่ควรถือมั่นว่าของเราของเขาอนี่ปัญญามัน วินิใช้ดูแล้วมันรู้ชัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็สอนจิตไม่ให้ยึดไม่ให้ถือสอนจิตให้ปรองให้วางไว้ตามสภาพเนี่ยเลยว่ากําลังขันติกับกําลังปัญญานะ่ะมันก็พอๆกันเลยอะ่ะทีนี้ถ้าหากว่าขาดกําลังของขันติความอดทนแล้ว ปัญญาก็วินิจฉัยไม่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็ย่อมอ่อนแอท้อแท้ไปวันไหวไปเมื่อใจวันไหวไปอยู่นั้นจะพิจารณาอะไรก็ไม่รู้จริงเห็นจริงได้เลยตัดสินไม่ลงเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละ ความอดทนนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราทุกคนจะเพิ่งสร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้เพราะมันเป็นฐานที่ตั้งแห่งศีลเป็นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นฐานที่ตั้งแห่งปัญญาทีเดียวแหละศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยความอดทนลองคิดดู อดทนอดกั้นไม่วันไว้ไปตามอำนาจแห่งตันหา mm hmm. เมื่อจิตไม่วันไว้ไปตามตันหาแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงสิกขาบทพุทธบัญญัตินั่นนั้นเลย mm hmm. บุคคลจะล่วงสิกขาบทพุทธบัญญัติก็เพราะมันอดทนต่อความอยากไม่ไหวนั่นหลย mm hmm. สิกขาบทพุทธบัญญัติ ทั้งหมดเหล่านั้นนะทรงบัญญัติไว้เพื่อต้านทานต่ออำนาจแห่งตันหาอันหยาบๆของบุคคลเหล่านั้นเองเนี่ยตันหา ย, ยางหยาบๆมันนั่นนะมันบันดาลให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วนี่นั่นเรียกว่าตันหา ย, ยางหยาบนะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นผู้ใดมีความอดทนนะอดกั้นไม่ไปตามความอยากนั้นเพราะรู้ว่าถ้าหากว่าไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องล่วงศีลล่วงวินัยก็ต้องมีบาปมีโทษติดตัวอย่างนี้เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรอะนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าความอดกั้นทนทานนิ่มนันก็เป็นฐานที่ตั้งของศีล ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะความอดทนไม่รู้อำนาจแก่ตันหาความทยานอยากโดยประการต่างๆสมาธิก็เหมือนกันเนี่เมื่อหากว่าขาดความอดทนแล้วจิตนี้จะสงบลงไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันปูนปั่นอยู่เรื่อยนี่ กิเลสมันผลักดันให้จิตคิดซ่านไปต่างๆนานาเนือมีเะนั้นมากกิเลสมันก็เอาครอบงำกายทำให้เกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นมาครอบงำจิตใจไม่ไม่ปัถนาจะให้จิตนี่คิดนึกอะไรเลยเให้ให้จิตนี่มีแต่หยุด ชิดหยุดนึกแล้วก็ซื้อไปอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยเมื่อถูกความง่วงเข้าครอบงำไปแล้วนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ลนะ้วนแต่อิทธิพลของตัณหาทาั้งนั้นแหละอันหมู่นี้นะดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อความง่วงมันจะครอบงำมาแล้วก็อดทอนนะไม่ง่วงมัน ตั้งสติให้เข้มแข็งไว้แล้วก็นึกคิดถึงคุณคุณธรรมต่างๆที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนวิจาร์คุณธรรมต่างๆเข้าไปเช่นอย่างผู้ที่เมื่อมานึกถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสยินดีขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มานึกทบทวน ถึงพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ mm hmm. เมื่อจิตใจมันได้ความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นแล้วมันก็หายง่วงไป mm hmm. การที่บุคคลจะมานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงพระประวัติความเป็นมา ของพระพุทธเจ้าได้ในเวลาเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างว่านั่นแหละไม่ทําความอ่อนแอไปตามอํานาจแห่งความง่วงเหงาหานอนเหล่านั้นนะนี่เพราะฉะนั้นอย่าว่าความอดทนนี่มันเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยทีเดียวแหละอดกั้นทนทานละความชั่วอดกั้นทนทานกระทาความดี ให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ลองคิดดูเหคุณค่าของขันติความอดทนนะ่ะมันมีมากมายกายคลองจริงๆนะเพราะว่าจิตใจนี่มันยังละกิเลสไม่หมดนี่กิเลสมันยังรบกวนจิตใจนี้ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเฮิมไปต่างๆนานาอยู่อย่างนี้นะ ลำพังสมาธิอย่างเดียวเราก็สู้ไม่ไหวกำลังสมาธิก็อ่อนนี่กำลังสติปัญญาก็ยังอ่อนโยยังไม่สามารถจะเอาช น, นะกิเลสต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นเราเราจึงต้องได้อาศัยความอดทนนี่สร้างความอดทนนี่ให้เป็นฐานรองรับดวงกิจไว้ก่อน ทีนี้เมื่อมีความอดทนอดกอ้ั้นต่ออำนาจของกิเลสไม่ไปตามกิเลสแล้วกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงขั้นเมื่อกิเลสอ่อนกำลังลงจิตใจนี่มันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็เบิกบานผ่องใสเมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วอย่นี้แหละก็จึงใช้ปัญญาได้บะนี้นะก็จึงใช้ปัญญาค้นคว้าเหตุผลของชีวิต สา ม, มารถรู้แจ้งได้ตามเป็นจริงบะนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนของการอบรมจิตใจนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจออันท่านผู้ที่ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นท่านก็ไม่ได้อดทนทําความเพียรอย่างคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสเพราะว่ามันไม่มีกิเลสมาต้านทานแล้ว พอท่านน้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาธรรมเข้าไปจิตก็ลงไปเลยอะอจิตก็รวมตัวลงไปเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ยากไม่ลำบากเหมือนอย่างบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่พอเมื่อน้อมจิตลงไปสู่ความสงบกิเลสมันก็ขัดขวางไว้ อ, อย่างนี้แหละ ดังนั้นเราจึงต้องได้อาศัยคุณธรรมต่างๆเข้าช่วยเป็นกำลังใจสุดท้ายก็ขันติธรรมเลยเป็นกำลังใยให้พากันเข้าใจเหตุผลดังกล่าวมานี่เมื่อผูใ้ใดเข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมจะพอใจกระทาตามเลยพอใจภาคเพียรพยายามเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามเราไม่หัดอดหัดทนต่ออํานาจของกิเลสอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสไปเรื่อยๆแหละ <S <S โดยเฉพาะมันเมื่อมันตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสยำหยาบอันนั้นแล้วมันก็ไปทําความชั่วใส่ตัวเองในะวันนี้นะมันก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปพฤติผิด ในการไปชอบเกามูสาวาตหลอกลวงช่อกงเอาสมบัติพูอื่นมาเป็นของตนไปชอบดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไทยโทษต่างๆเข้าไปนี่แหละเมื่อหากว่าไม่มีคุณธรรมยับยั้งกิจใจไว้ได้ ตัณหาอย่างงัหยาบนี่มันก็ย่อมเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจก็ทำให้คนเราทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองไปนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้ที่เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วก็จำเป็นต้องมีความภาคเพียรพยายามเลยฝึกกายฝึกวาจาฝึ ก, กจิตใจตัวเอง ให้มันตรงไปตามศีลตรงไปตามธรรมไม่ให้มันตรงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าว่าเราไม่ยึดศีลยึดธรรมนี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วจิตใจนี้มันก็ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นต้นเหล่านั้นผู้ใดยึด มั่นอยู่ในศิลในธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วก็ยังชั่วน้อยมันก็จะไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นโดยประการทั้งปวงแม้มันจะตกไปก็ตกไปไม่รุนแรงไม่ถึงกับว่าได้ทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวลำพังแต่จิตคิดนึกไปเฉยๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงมือทำด้วยกายด้วยวาจา มันก็ยังไม่สำเร็จเป็นบาปอากุศลยังยังความคิดเฉยๆนี่เนะี่ยยังจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปอมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าความคิดคิดไปนในทางบาปอากุศลมากๆเข้าไปแล้ว มันมีกําลังพอแล้วก็เลยใช้กายใช้วาจาทําชั่วพูดชั่วไปดังกล่าวมานั่นล้วก็นั่นแหะสําเร็จเป็นบาปถ้าว่าผู้ใดไม่รู้สึกตัวไม่ภาเคเพียรไม่ยามละบาปอันนั้นต่อไปแล้วก็บาปนั่นแหะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปนี่เป็นอย่างนั้นไอบาปที่ไม่ใช่คลุกรรมเป็นลหูกรรมนี้ ถ้าผู้ใดพังเผอทำลงไปแล้วอย่างนี้เมื่อรู้ตัวภายหลังมารู้ตัวได้ว่าการกระทาอย่างนั้นเป็นบาปจริงเป็นความชั่วจริงแล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะตามให้ผลเป็นทุกข์จริงผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละลงไปเลยแบบนี้ไม่ทํามันอีกต่อไปอธิษฐานใจละไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้น แล้วก็อธิษฐานใจถึงกุศลคุณงามความดีไป <c oughs> อธิษฐานใจมั่นต่อบุญต่อกุศลต่อคุณธรรมที่ตนได้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนี่บ่อยๆเข้าไปอะเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในสติปัญญาอันสูงส่งขึ้นไปแล้ว บาปกรรมเหล่านั้นมันก็ตามไม่ทันบ้านี้มันก็ลังงับไปนี่แต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่ออธิษฐานใจละบาปแล้วเแี้วบาปนั่นมันจะตามไม่ทันเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเมื่อเราอธิษฐานใจละบาปแล้วเราต้องทำความดีเข้าใส่ไว้จิตใจอันนี้นะ่ะทำความยินดีต่อบุญต่อกุศลต่อข้อวัดปฏิบัต ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เพราะว่าใจดวงเดียวนี่นะเมื่อน้อมไปทางบาปแล้วมันมันก็ไปทางบาปนั่นแหละวันนี้มันก็สั่งสมบาปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อมันเบื่อบาปมันเห็นโทษของบาปแล้วมันน้อมไปในทางบุญกุศลมันก็สั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นไม่สั่งไม่สั่งสมบาปอมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย เมื่อสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นบาปนั้นไม่สั่งสมมันอย่างนี้มันมีอยู่แต่เก่าแล้วนั่นมันก็อ่อนกําลังลงไปเองเนี่ยมันก็ระงับดับไปเองเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่เลี้ยงมันไว้เลยมีแต่ละกับละอย่างเดียวอย่างนี้นะ <c oughs> มันก็หมดไปแหละบาปเลนี่แหละการ วิธีละบาปในทางพระพุทธศาสนานะให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเมื่อละาบาปไม่ทำบาปแล้วผนไม่ทำความดีอย่างนี้ไม่ได้สักหน่อยบาปมันก็เกิดขึ้นมาของเก่านั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เหมือนแผ่นดินนี่นะ เมื่อได้หญ้าออกไปแล้วไม่ปลูกพืชต่างๆที่มีผลลงไปอะ่ะไม่นานเนี่ยพวกหญ้าพวกพืชต่างๆอที่มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นั่นอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาแทนนะหนาทึบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละที่ถ้าบุคคลได้หญ้าออกไปแล้วปรับดินให้ดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไป เมื่อปลูกลงไปแล้วธรรมดาเจ้าของมันก็ต้องคอยรักษาแลยบบบนี้นะรักษาศัตรูพืชนั่นต่อไปแหละถ้ายาเกิดขึ้นมาก็ถอน้าออกไปถ้ามีตัวมแมลงอะไรจะมากัดมากินก็นไล่ตัวมแมลงนั้นออกไปจะมีสัตว์มาเหยียบย่ำก่อหารั่วมาร้อมป้องกันไว้ไม่ให้สัตว์ต่างๆมาเหยียบ ม, มาย่ำ ม, มากัดกิน พืชพันเรานะมันก็งอกงามเจริญขึ้นผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกผู้ฟังนั้นให้ได้บริโภคได้จับจ่ายขายไปได้เต็มที่อัอนนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเ <c oughs> มื่อเรามีศรัทธามีวิริยะความเพียรพยายามที่จะ คือขนกายวาจาใจนี้ให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ขจัดกิเลสบาปธร ร, รมอันนี้ออกจากกายวาจาใจให้ได้เมื่อเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วนะมันก็ต้องดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะเมื่ออธิษฐานใจละความชั่วที่ตนเคย ทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้นะเอาก็อธิษฐานใจทําความดีเข้าใสอจเช่นอย่างว่าเมื่อเราอธิษฐานใจละความโกรธออกไปอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใ จ, จเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นแทนความโกรธนั้นอย่างนี้เมื่อเรามนรันเจริญเมตตากรุณาไปบ่อยๆเข้า เมตตาธรรมกรุณาธรรมมันซึมซาบเข้าถึงจิตใจได้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยแบบนี้จิตใจมันก็ไม่ค่อยน้อมไปในทางโกรธล้ะมีแต่น้อมไปในทางเอ็นดูกรุณาบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโดยมามองเห็นว่าคนเหล่านั้นสัตว์จําพวกนั้นกระลุวนแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนกับเรานี่แล แล้วเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าเมื่อเขายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันก็ทำดีบ้างทาชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละธรรมดาผู้ยังละความชั่วไม่ได้หมดนะเผละเผลอมันก็ทำชั่วไปได้พอรู้ตัวมันก็ทำความดีแม่ตัวของเราเองก็เหมือนกันนะ ถ้าเรายังละกิเลสอันใดไม่ได้หมดพอเผลอตัวกิเลสแต่มันก็มาเล่นงานเอาให้ทําชั่วพูดชั่วไปได้บ้างแล้วทีนี้นะนั่นเมื่อนึกถึงเขามาเทียบกับเรานึกถึงเราเทียบกับเขาเข้าไปแล้วมันก็ให้อภัยกันได้นะคนเราเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาล่วงเกินตน่ะตนก็ให้อภัยไปได้เ อ, อเมื่อคิด เหตุผลดังกล่าวมานี่รู้ชัดขึ้นมาแล้วนะ mm hmm. ถ้าใครไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมอภัยให้แก่บุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตนเลยมันก็เลยเกิดความไม่สงบขึ้น mm hmm. เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะ ผู้ใดเข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วลงมือปฏิบัติตามนี่เป็นของดีจริงๆได้ผลดีจริงๆละ่ะไม่เสียเวลาที่ลงมือปฏิบัติหรอกแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรเราก็เอาทุกนั่นละเป็นทุนนะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่นั้นหละมันจะได้รับความสุขเป็นผลเลยบบนี้ ความทุกข์ใจมันก็จะค่อยเบาบางไปสงบระ ง, งับไปอืแต่ทุกข์ทางกายนี่มันมันไม่สงบระ ง, งับไปได้หรอกเมื่อร่างกายนี้ยังไม่แตกไม่ดับทําลายลงนะมันก็ต้องเป็นไปอยู่ตามเรื่องเของมานั่นแนหะแต่ว่าทุกข์ใจนั่นแหะมันเบาบางลงนะหมายความว่าอย่างนั้นไอ้เพึ่งพากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่ง พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นก็เพื่อให้พุทธบริษัตททั้งหลายมีความภาคเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้ความชั่วบังเกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะแล้วถ้าหากว่าพางเผอ บางเอิญไปกระทาความชั่วบางสิ่งืองอย่างเข้า อ, อย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็ยอมรับผิดไปอยอมรับผิดไปแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะเช่นอย่างระเบียบของพระภิกษุอย่างนี้พ อ, อรู้ว่าตนได้ร่วงศิกขาบท ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิกขาบทที่ไม่มีโทษอย่างร้ายแรงเช่นนั้นละ่ะพอรู้ตัวแล้วก็รีบไปขอสารภาพกับหมู่เพื่อนพิกูุองค์ใดองค์หนึ่งเสียว่าผมได้ล่วงสิกขาบทข้อนั้นข้อนั้นโดยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้นะผมขอแสดงต่อท่าน แล้วต่อนี้ไปผมจะสํารวมระวังต่อไปจากไม่ร่วงสิกขาบทนั้นๆต่อไปอย่างนี้ท่านว่าโทษนั้นมันก็ลังงับไปนี่ถ้าว่าโทษนั้นไม่ระ ง, งับแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้วางระเบียบไว้อย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจแต่ถ้าใครปกปิดอาบัตหรือว่าความชั่วอันนั้นไว้ไม่มีทางที่มันจะระ ง, งับไปได้นะ เป็นอย่างนั้นแม้คารือหัดก็เหมือนกันแหละผู้ใดทำความชั่วหรือว่าล่วงศีลล่วงทมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั่นแล้วแล้วก็กลบความผิดของตนไว้อยู่นั้นไม่ยอมสารภาพความผิดต่อใครเลยไม่ปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะละความผิดอ น, นั้นอย่างนี้บาป ก, กรรมนั้นมันก็ติดตามไปอยู่นั้นเลย ติดตามให้ผลไปล่ะเรื่องมันน่ะไม่ใช่ว่าพอทำผิดลงไปแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นอย่างนี้มันมันจักไม่มีโทษมันจักไม่ความผิดอันนั้นจักไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่เนะือย่าไปเข้าใจผิดเราทำความชั่วร่วงพุทธบัญญัติไปแล้วนั้น มันจะมีใครรู้เห็นก็าตามไม่มีใครรู้เห็นก็าตามมันก็มีทอดอยู่ในตัวนั่นแหละคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบกว่ก็ตามเป็นครือขัดก็าตามแหละก็เมื่อตอนเองรู้ตัวเองอยู่อย่างนี้นะและอย่างนี้นี่ เมื่อรู้ตัวเองแล้วยังไม่ยอมรับผิดอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นผู้ชอบกับบาปอคุส น, น, นั้นน่ะก็ยึดเอาบาปอคุส น, นั้นไว้เนื่จะไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนี่ขอให้พางเข้าใจคำว่าเพียรละบาปนั่นนะตามที่บุญเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ในความเพียรสี่อย่างนั้นนะ นั่ น, หนให้พึ่งเข้าใจอย่าไปปกปิดความชั่วไว้ให้พึ่งสารภาพต่ อ, อ, อท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งซึ่งตนเคารพนับถือหรือว่ามี เ, ออเพศเดียวกันมีความหวังดีเหมือนเหมือนกันอย่างนี้นะหรือมีคุณบุธที่สูงกว่าตนเช่นอย่างญาติโยมกับพระเจ้าพระสงฆ์นเนี่ย ยอดโยมก็ถือว่าพระสงฆ์นี่นะ่ะมีคุณุธิสูงกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้มาขอสมทานศีลด้วยแต่การสมทานศีนสมัยนี้นะมันกลายเป็นประเพณีไปแม่นว่าไม่ได้ล่วงศีนแม้แต่ข้อเดียวก็สมทานอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่าประเพณี แต่บางคนล่วงศีลไปแล้วไม่สัมทรานก็มีอเป็นอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแบบนั้นนะก็เมื่อเมื่อเราละบาปแล้วอย่างนี้เราละความชั่วเหล่านั้นแล้วก็พยายามตั้งสติสำรวมระวังอ่กันไว้ไม่ไม่ให้มันล่วงอีกต่อไปวันนี้ก็ทำความดีต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำอ่ ตามหน้าที่ของใครของเราผู้เป็นนักบวชก็ทําข้อวัดปฏิบัติของนักบวชผู้เป็นคเรืองหัดก็ทําหน้าที่ของผู้เป็นฆเรืองหัดหน้าที่ของคเรืองหัดก็ขอนายในทาน น, นี่นั่นแหละขอนไขในศีลห้าศีลอุโบสถหรือว่ากรรมบทชสิบ เขบอกขอนขวยนึ่งก็เรียกว่าพยายามปฏิบัติตามนั่นเองเนี่ยไม่ร่วงมันเนี่ยพยายามสดับดับฟังคําสั่งสอนของพุรธเจ้าอย่าเบื่อหน่ายต่อการสดับดับฟังเพราะว่าเป็นครืหั่ผู้ครองเรือนนี่มันไม่มีเวลาที่จะไปดูตหรับตําราหรือว่าท่องบทโจทย์จำเอาคําสอนของพทะเจ้าให้ได้มากๆ มันมันไม่มีเวลาเพราะทำแต่การแต่งงานอย่างนั้นเราก็ถือเวลาว่างๆบางครั้งบางคราวะสะดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพุทเเจ้าอย่างนี้แหละเพื่อประดับสติปัญญาของตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อได้สะดับตรับฟังอย่างนี้แล้ว ก็พึ่งพาการจดจำเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้แล้วไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญและความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วดีนั้นตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา